เพราะอย่าลืมมักมีอะไรเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นจะละได้เด็ดขาดจริงๆตอนที่มีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ว่าการประหัตขีหานกิเลสเนี่ยนะที่มันชัดๆเลยเนี่ยมันอยู่ที่วิปัสสนาเพราะฉะนั้นพื้นฐานเขารู้จักกิเลสมากกว่าอย่างอื่นก็จึงพิจารณากิเลสก่อนเพราะเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยมันตรงกันข้ามกับสมุทัยนั้นๆดังกล่าวไปแล้วก็จึงพิจารณามักพิจารณาผลแล้วก็อารมณ์ของ มักผลแต่อย่างนี้ที่กล่าวส่วนใหญ่ก็เป็นลําดับของเทศนาส่วนในรายละเอียดว่าจะต้องเป็นแบบนี้ทุกองค์หรือไม่ก็ไปสอบอนะแล้ว ก, ก็เขียนจดหมายถึงกันก็ได้หลังจากบรรลุแล้วนะว่าเป็นยังไงก็เขียนมาบอกบ้างนืงไม่มีใครรับปากเลยจะเขียนจดหมายไปบอกแต่ <laughs> ้าให้ผู้การตรวจให้มาผ่านจริงหรือ ตรีดมาดูว่าลำดับนะปกติเนี่ยลำดับมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันในบรรดาลำดับทั้งหลายมีห้าอย่างคือหนึ่งลำดับของการเกิดสองลำดับแห่งการละสามลำดับแห่งการปฏิบัติสี่ลำดับภูมิห้าลำดับเทศนะแบ่งเป็นลำดับห้าประการส่วนทั่วๆไปนี้เราสนใจลำดับอะไรมากที่สุดลำดับการเกิดลำดับการละลำดับการปฏิบัติลำดับภูมิลำดับเทศนะ ลำดับการเกิดเนี่ยนะพวกเจริญนิพพสนาเนี่ยควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องลำดับการการเกิดส่วนลำดับการละอะอันนี้ก็เราจะได้รู้ว่ามรดใยละกิเลสอะไรเป็นต้นเนี่ยนะลำดับการปฏิบัติก็สําคัญเพราะเราจะได้รู้ว่าอะไรควรเจริญส่วนลำดับแห่งภูมิเราก็ควรศึกษาส่วนลำดับแห่งเทศนาก็คือทรงจําเนี่ยนะลำดับแห่งเทศนาเนี่ยนะเอ เราต้องไว้เนื้อเชื่อใจพระอริยะหรือพระพุทธเจ้าหรือพระอัตกะถาเหมือนกันนะเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ได้ปฏิสัมพิธาโดยเฉพาะนิรุติปฏิสัมพิธานั้นถ้อยคำที่ท่านเอามาแสดงเนี่ยท่านมีเหตุผลของท่านซึ่งท่านไม่ได้มาอธิบายอธิบายทั้งหมดเนี่ยนะก็ตั้งคำถามแบบง่ายๆว่าผู้การทำอะไรเนี่ยอธิบายให้หลานฟังหมดไหมอย่างเงี้ยนะ ก็ไม่ถึงขนาดนั้นอะไรนะจะต้องเป็นบางเรื่องไปอ่นะลักษณะเหมือนกันอย่างพาาระอรหันต์พระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านมองเห็นเราเป็นละอ่อนจริงๆเลยแหละเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องท่านจึงไม่ได้อธิบายทั้งหมดเนี่ยนะเพราะท่านก็อธิบายตรงไหนพอที่ควรรู้ไว้ก่อนอะไรก็อธิบายไปแต่ว่าท่านท่านท่านเป็นโลกับวิทูจริงๆที่ท่านตรัสอะไรออกไปเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะกังขา ม, มากเกินไปมีอยู่สูตรเนี่ย น, นะเขาบอกว่าพระ วักกะลิเป็นต้นเนี่ยนะท่านน้อมบรรลุด้วยศรัทธาวิมุติฉันใดเพราะฉะนั้นท่านก็จงน้อมด้วยศรัทธาวิมุติเพื่อการตรัสรู้ฉันนั้นเถิดอันบางสูตรเนี่ยพงษ์ไม่ได้บอกว่านงงั้นมันอย่างนั้นอย่างนั้นนะพงษ์ไม่ใช่บอกน้อมเชื่อเถอะแล้วก็บรรลุดได้อันนั้นบางสูตรนี่พงค์น้อมให้มีศรัทธาอย่างเดียวเพราะพาะอริยพวกประเภทศรัทธาที่มุตก็มีอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นของเราถ้าจะเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวเกินไปเนี่ยนะบางทีก็ ทำไมทำไมทำไมอย่างเงี้ยนะถามมากๆขึ้นก็ถ้าเจดสนเจริญก็ดีควรสอบถามเพราะเหตุของปัญญาใช่ไหมเรียกว่าปริปุจชาถามไปแล้วกิเลสมากขึ้นมากขึ้นก็ก็คิดเอากันแล้วกันนะนะเพราะการปฏิบัติทั้งหลายมีการกำจัดกิเลสเป็นอย่างยิ่งมุนพูดถึงลำดับของการเกิดก่อนนะว่าเคยมียักษ์นะนะไปถามพระพุทธเจ้าว่าลาดับมันเป็นยังไงลาดับของการเกิดเนี่ย น, นะเกิดนี่ใครเกิด ก็เราท่านทั้งหลายนี่แหละเกิดเนี่ยนะลำดับการเกิดอย่างเช่นสัปดาห์แรกเป็นกะละละตอนที่อยู่ในคันนะในท้องเนะี่ยสัปดาห์แรกเป็นกะละละสัปดาห์ที่สองเป็นอัพพุทะสัปดาห์ที่สามเป็นเปสิสัปดาห์ที่สี่เป็นคณะสัปดาห์ที่ห้าเป็นแตกปัญจ่าสาขาเป็นปุ่มผ้าปุ่มใหญ่ๆกะละละนี่คืออะไรคือหยาดน้ำใสๆเนี่ยนะพูดแบบสมัยใหม่ก็คือระหว่างที่ หลังจากที่อสุจิกับไข่ผสมกันเนี่ยนะหลังจากนั้นแหะท่านว่าน้ําใสๆก็หลังจากนั้นอีกสัปดาห์หนึ่งก็จะเป็นเป็นขุนข้นเป็นน้ําแบบระบบน้ําขุนข้นอย่างที่สามก็สัปดาห์ที่สามก็ดูเป็นก้อนเนื้อเล็กๆกันไหมดับที่สี่ก็เออเปสีนี่แปลว่าชิ้นเนื้อคณะแปลว่าก้อนเนื้อก็โตขึ้นหลังจากนั้นอีกก็เริ่มมาแตกกลุ่มเป็นแบบเหมือนตัวอะไร ม้าน้ำอ่ะเนะี่ยเคยมาแตกแบบม้าน้ำเด็กในคันกับม้าน้ำต่างกันตรงไหนต่างหรือเปล่าไม่ค่อยต่างอ่ะเนะโตไปโตมาเอ๊ะมันก็แปลงร่างได้เหมือนกันนะแต่ดูในรูปนี้เหมือนม้าน้ำจริงๆเลยไม่น่าเชื่อเลยมันขยักขยักขยักขยักมันจะมาเป็นอย่างนี้ได้ออสังขารวิจิตจริงๆนะเนี่เหมือนม้าน้ำ อ่ะพวกนี้นะลำดับของการเกิดอ่ะนะก็ตั้งแต่เกิดในคันนะั่นแหละสมัยใหม่นะหนังสือประเภทนี้อมีให้ดูเต็มไปหมดเลยนะก็เลยไม่ค่อยได้ยากอะไรส่วนลำดับแห่งการละก็ในปหาตับพระติกะมาติกาก็เช่นว่าทัศเนนะปะหาตับพาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายอันโสดาปฏิมักเพึงประหารถือที่ละได้ด้วยการเห็นอ่ะ น, นะโสดาปฏิมักนี่ทํากิจเห็นใช่ไหมเพรานั้นก็ละได้ด้วยการเห็น ส่วนภาวนายะปะหาตพาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายอันมักเบื้องบนพึงประหารนะก็คือสกทาคามีมักอนาคามีมักอรหัตมัคประหารนี้เรียกว่าลำดับแห่งการละเพราะอาคุศลทั้งหลายก็ต้องอาศัยอริยมักเป็นตัวละส่วนลำดับแห่งการปฏิบัติก็ตามหลักวิสุธทธิเจ็ประการคือศีลวิสุธทธิ จิตวิสุทธิทิฏวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมคามคยาณทัทสนวิสุทธิปฏิปทายานัทสนวิสุทธิและยาณทัทสนวิสุทธนะิอริยผลไม่ใช่เป็นภาวนาธรรมอะไรอริยผลเนี่ยเป็นสัจชิกาตประธรรมนะตั้งแต่จนตั้งแต่ศีลไปจนถึงมครคนี่เป็นทาเวตประธรรมเป็นธรรมที่จะต้องเจริญต้องปฏิบัติโดยลําดับส่วนอริยผลเป็น สัจจกาตประธรรมเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งศีลวิสุทธิที่คืออะไรคือจตุปาริสุทธิศีลสีประการนี่ย น, นะก็ถ้าเปรียบเหมือนรถก็รถขั้นแรกใช่ไหมเมื่อกาเดินทางไปเชียงใหม่รถเจียต่อเนี่ย น, นะก็รถต่อที่หนึ่งก่อนนั้นศีลวิสุทธิหมายถึงจตุปาริสุทธิศีลสี่จิตตวิสุทธิหมายถึงอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิเนี่ย น, นะอุปจาระและอัปปนาสมาธิ ที่ทีวิสุทธิหมายถึงการกําหนดนามรูปหรือกําหนดโดยขันาาธ์อริยตนะนะก็ในวิปัสสนาท่านหนึ่งในวิสุทธิมาร์คท่านบอกว่าทุกภพภูมิก็คือนามรูปเอพรมนึกถึงพรมก็คือนามรูปอ น, นะอสาญยศาสญญาศตร์มีแต่รูปอย่างเดียวใช่ไหมอารูปก็มีแต่รูปอย่างเดียวเออขอไปมีแต่นามอย่างเดียวที่เหลือมีทั้งนามมีทั้งรูปมันทุกผลทุกแห่งนึกถึงนรกก็คือ นามรูปมันนะถ้าได้ขนาดนี้จริงๆนะไม่ได้เข้าใจผิดเลยอะ่ะคิดถึงนามรูปก่อนแล้วค่อยต่อด้วยบรรยัติอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างงี้ก็ทิฏฐีดีนะแต่ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นเลยใช่หมมีแต่เพื่อนเราญาติเราน้องเรามีแต่ระบบเดิมๆของเราส่วนใหญ่นะตามแนวทิฏฐิเก่าๆของเราทิฏฐีเก่าทิฏฐีไหนทิฏฐีตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เป็นเด็กอะ่ะ อ, นนะอันนี้เน่แม่เราเมื่ อ, อไหร่ก็แม่อยู่ทั้งปีนั้นไม่มีนามรูปสักครั้งเลยออันนี้แหละแสดงว่าทิฏฐิวิสุทธิไม่ดีนนะหรือเห็นอะไรก็อย่างสุนัขเราไม่เคยว่าขันท่าเนี่ยนะที่เราจะต้องบริหารขันอันนี้นะคือไม่เคยใส่ใจโดยความเป็นขันท่าอรยตนะโดยความเป็นมหาพูดนั้นพูดที่ได้ทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนะเหมือนกับว่าแพรในภพสามคือนามรูปหรือแพรภพสามคือขันท่า แทพบสามคืออายตนาสิบสองเนี่ยไหลอยู่ดำนี้จริงๆอันนี้แหละเป็นลักษณะของทิฏวิสุทธิส่วนกังขาวิตรณาวิสุทธิก็คือการข้ามความสงสัยในในการสามเนีย่ยนะไม่ข้ามความสงสัยในการสามานามรูปเนี่ยเพราะอาหารเกิดนามรูปจึงเกิดใช่ไหมใช่เพราะอาหารอาหารนี่หมายถึงปัจจัยนะคําว่าอาหารนี่กว้าง ไม่ได้หมายถึงแต่กับข้าวอย่างเดียวนะหมายถึงปัจจัยทั้งหมดเนี่ยว่าสังขารทุกชนิดเกิดจากปัจจัยใช่ไหมใช่ถ้าสังขารในอดีตทั้งหมดเกิดจากปัจจัยใช่ไหมใช่อนาคตต่อไปสังขารทั้งหลายก็จะเกิดจากปัจจัยใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นสังขารทั้งมวลล้วนเกิดแต่ปัจจัยนะทั้งอดีตสังขารก็เกิดจากปัจจัยอนาคตต่อไปสังขารทั้งหลายก็จะเกิดด้วย ปัจจัยปัจจุบันก็สังขารก็เกิดด้วยปัจจัยไม่มีเราไม่มีไม่มีใครมีแต่สังขารที่เป็นไปตามอํานาจของปัจจัยรอบรู้แล้ ว, ล, วละความสงสัยในอดีตอนาคตอย่างนี้แหละเรียกว่ากังขาวิวตรณวิสุท ธ, ธิแล้วพอรู้อย่างนี้ป้าเราเคิดมไหมไอดีตเราเป็นอะไรเนาะสงสัยไหมสงสัยหรือไม่สงสัยอ่ะแล้วตกลงเป็นอะไรในอดีตอ๋อเป็นนามรูปที่เกิดจากปัจจัยใช่ไหม เอาภาษาทูท่านระลึกชาติได้ไหมไม่ได้แต่รู้ว่ามันจะระลึกถึงก็คือนามรูปทั้งนั้นแหะเนี่ยถ้าไปข้างหน้าอีกมันจะเกิดเป็นอะไรก็ช่างมันก็คือนามรูปที่จะเกิดจากคันเกิดจากปัจจัยอีกนัเนและปัจจุบันเนะี่ยศตําแหน่งแค่ไหนก่อนนามรูปที่เกิดจากปัจจัยอีกเหมือนกันก็เข้าถ้าเดียวกันเอาไปรักษาไว้เนี่ยอย่าให้มันเสื่อม แต่ว่าสัญญามนาสิการลักษณะนี้ไม่ใช่เกิดได้ง่ายในะนวันวันหนึ่งทนำะไม่ได้ปัจจัยมันไม่ค่อยเกิดนะสัญญามนาสิการโดยความเป็นขันที่เกิดจากปัจจัยเนี่ยนะทีนี้ต่อไปรู้ว่านามรูปเหล่านั้นเกิดเพราะอาหารเกิดใช่ไหมใช่อันนี้เขาเรียกว่าถ้านามรูปดับเพราะอาหารดับใช่ไหมใช่ในอดีตเนี่ยนะถ้าไม่มีปัจจัยจกมีนามรูปไหมไม่มี ถ้าไม่มีปัจจัยอนาคตจักมีนามรูปไหมไม่มีถ้าไม่มีปัจจัยสังขารทั้งหลายในปัจจุบันจักมีไหมไม่มีแต่ที้ถ้าพิจารณาอย่างนี้ได้มากพวกวิปัสสนาปกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดเช่นมีปีติปรามโมทย์ปีติมากกวานึกว่าบรรลุแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ว่าเออเนี่ยแช่ยอยู่กับปีติไม่ใช่มรรคผลนะถ้าเจริยนอนุปัสสนาต่อไปนั่นเป็นทางอะ น, นะถ้าไปหลงชมอยู่กับปีติสำคัญปีติเป็นต้นว่าเป็นมรรคผลไม่ใช่ แต่ถ้าเจริญอนุปัสนาต่อไปนั่นเป็นทางเพราะฉะนั้นก็แยกว่าเออเนี่ยหลงเพลิดเพลินเนี่ยอยู่กับความสุขให้มันปลืม้มอยู่นั่นแหละก็พอแล้วนี่แหละบรรลุมรรคผลแล้วเพียงพอแล้วอันนี้ไม่ใช่ทางใช่ไหมแต่ถ้าไปต่อด้วยเจริญอนุปัสนา7จ็ดเช่นปีตีที่เมื่อก่อนมันก็ยังไม่เกิดพอได้ปัจจัยก็เกิดขึ้นพอมีความสิน้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเหมือนกันนั่นแหละอันนี้แหละเป็นทางเนี่ยเป็นทาง มัคคะนี้หมายถึงอนุปัสนาอมมัคคะหมายถึงไปชื่นชมอยู่กับวิปัสณูปกิเลสเนี่ยนะส่วนที่เหลือก็เจริญอนุปัสนาเรียกว่าปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิอันนะก็คืออนุปัสนาทั้งหลายพังคยานนั่นแหละตั้งแต่พังคยานเป็นต้นไปเรียกว่าปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิเพราะเป็นทางเนะเป็นทางดําเนินเพื่อออกจากวัฏฏะ แล้วก็ญาณทัศนวิสุทธิคืออริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคเรียกว่าเป็นญาณทัศนวิสุทธิที่พระสารีบุตรถามพระปุณมันตานีบุตรใช่ไหมว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อเพื่ออะไรบอกเพื่ออนุปาธาปรินิพานสีศีลวิสุทธิใช่ไหมเป็นอนุปาธาปรินิพานไม่ใช่จิตตวิสุทธิใช่ไหมเป็นอนุปาธาปรินิพานไม่ใช่ แก็ไล่ไปอย่างนี้จนถึงยานทัศนวิสุทธิเนี่ยนะพระปุณณะก็บอกว่าไม่ใช่เสร็จแล้วพระปุณณะท่านก็บอกว่าบุคคลเนี่ยนะจะรู้เนื้อความได้ก็อาศัยอุปมาเหมือนพระเจ้าเปรสเซนต์ที่โกศซต้องนั่งรถเจ็ดผลัดเพื่อไปเมืองสาเกตั้นนะด้วยธุระเร่งด่วนเนี่ยนะรถเจ็ดลัดก็ขึ้นพลัดที่หนึ่งลงจากผลัดที่หนึ่งตอ่อด้วยผลัดที่สองไปต้น่ะข้อปฏิบัติก็เหมือนกับรถเจ็ดลัดท่านิพานก็เหมือนกับเมืองสาเกตนั่นแหละั้นนะ